ช่วงนี้ก็อากาศก็จะเริ่มหนาวเนาะความหนาวเนี่เขาเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เป็นความทุกข์ด้วย <c oughs> สําหรับคนที่ <c oughs> ไม่มีที่อยู่อาศัยนะที่แข็งแรงนะหรือว่าไม่มีเครื่องรุ้งห่มนะตรงนี้จริงๆแล้วก็คือกลับมาเห็นว่าจริงๆชีวิตเราก็มีแต่ความทุกขนะ์เนาะมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะใน กายแล้วในใจเรามันก็ร่วงจะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องกลับมาเห็นให้ให้เจอหาให้เจอเนะจริงๆแล้วในพุทธศาสนานี่มีคําสอนมากมายนะแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันธนะ์แต่ว่าถ้าอ่านจริงๆแล้วแล้วคนทั่วไปอ่านแล้วแทบจะหา <c oughs> ประเด็นได้ยากมากว่าจริงๆแล้วจุดสําคัญอยู่ที่ไหน <c oughs> จุดสําคัญในพุทธศาสนานี้ถ้า จับให้ตรงประเด็นแล้วก็มีอยู่สองจุดเท่านั้นคือให้เห็นความทุกข์ลับประการต่อมาก็ให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องกลับมาเห็นความทุกข์ให้ได้นะถ้าเราเห็นความทุกข์ไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรนะเกิดมาทำไมแลวจะเป็นอย่างไรต่อไปล้วจะมีชีวิตอยู่ไปทำไม กลางๆเราเนี่ยคนที่ไม่เห็นในตรงเนี้ยจะมองประเด็นนี้ไม่เจอเลยแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งมีการเรียกว่าใช้ชีวิตแบบตามสัญชารียานเป็นส่วนใหญ่นะะในเมื่อคนเราถ้ามองไม่เห็นความทุกข์ก็จะไม่หาทางที่จะพ้นจากความทุกข์นะซึ่งความทุกข์นี้ที่เราได้ส่วนมนกันในตอนเช้าๆนี่ก็มีนะทุกๆครั้งนะชาติติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ ชะลาปิทุขขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะบเปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขขาความโสความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแย่นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้คือ <c oughs> คือความจริงนะคือความจริงที่มันปรากฏขึ้นอยู่แล้วในกายและในใจของเรานะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นในตรงนี้นะแต่ก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าเนี่ยมาชี้ให้เห็นนะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในกายและใน ใ, นใจของเรานะ น, นี่คือสิ่งที่เรากลับมาเห็นในตรงนี้ไหม เห็นสภาวะทุกข์ในตรงนี้ไหมน่ะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราอ่าจําเป็นะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกลับมาเห็นอถ้าเราไม่กลับมาเห็นในตรงนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความทุกข์แล้วก็ไม่หาทางเดียพ้นจากความทุกข์ไปได้ <c oughs> ก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมนะเขาก็ถามว่าเออจะไ ป, ไปทําไมเพราว่าไปบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลง เขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วเพราะฉนั้นเขาก็ไม่มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือความเข้าใจของคนระดับส่วนใหญ่นะไม่ส่วนน้อยเป็นระดับส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ะเขาก็มองไม่เห็นทุกข์อะไรเลยชีวิตก็มีความสุขอยู่แล้วนั่นแหละอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองมาเห็นความทุกข์จริงๆนะมันเป็นสภาวะที่มองไม่เห็นความทุกข์ได้ว่าเขาก็อยู่กับความทุกข์ได้นะ มันเกิดกระใจและกายของเรานี้แหละนะความร้อนความเย็นความหนาวนี่ก็คือความทุกข์แล้วนะความปวดความเมื่อยเนี่ยก็เริ่มปรากฏสำหรับบางท่านแล้วใช่ไหมความหิวความง่วงก็เริ่มปรากฏแล้วนี่คือความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะความทุกข์อย่างอื่นๆก็มีอยู่มากมายที่ท่านว่าไว้นั่นแหละนะมันมีความทุกข์มากมายแต่เรามองไม่เห็นมันแล้วเราก็แก้ทุกข์ไปวันๆนึง ความทุกข์ในในทางกายนะจริงๆแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดามไม่มีใครหนีพ้นไปได้นะส่วนความาทุกข์ทางกายที่มันจอมาเช่นความหิวความปวดความเมื่อยอา่าต่างๆเหล่านี้นั้นเราก็แก้ไปชั่วคราวเท่านั้นเองนะอา่าเราเราปวดเราเมื่อยเรากลุกขึ้นมาเปลี่ยนอีระบ มันก็หายแต่ประเดี๋ยวมันก็ปวดเมื่อยใหม่เราหิวเราไปรับประทานอาหารประเดี๋ยวก็หิวใหม่เราง่วงเราไปนอนนะตื่นขึ้นมาสดชื่นประเดี๋ยวก็อาจจะ ง, ง่วงใหม่ก็ต้องไปนอนใหม่อันนี้ก็เรียกว่าเราแก้ถาวรไม่ได้นะมันแกนเป็นการเรียกว่าเราระ ง, งับชั่วคราวหรือบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองส่วนความทุกข์ในทางใจนี้มันเป็นความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทางกาย เนะความทุกข์ทางใจนี่เป็นเหตุให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายได้คนที่มีความทุกข์ทางใจนะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรุนแรงมากกว่านะบางคนไปอฆ่าทั้งครอบครัวก็ยังได้เลยนะฆ่าลูกฆ่าเมียก็ได้นะฆ่าคนที่ไม่รู้จักก็ได้นะหรือแม้แต่ฆ่าตัวเองก็ได้ก็เกิดจากความทุกข์ทางใจทั้งนั้นนะนะความทุกข์ทางใจก็มีสาเหตุใหญ่ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะเป็นสาเหตุข่งความทุกข์ทางใจ นะแต่ความทุกข์ทางใจที่ว่าร้ายแรงรุนแรงนั้นอนะ่กลับสามารถที่จะอ่านะยุตินะเ ล, เลิกนะหรือว่าดับได้อย่างถาวร น, นะคือมันสามารถที่จะหมดความทุกข์ทางใจนี่ได้อย่างถาวรได้เลยนะไม่เหมือนความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายนั้นแค่บรรเทาทุกข์แต่ความทุกข์ทางใจนี่ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราสามารถอนะที่จะทําให้เขาหมดไปได้อย่างเด็ดขาดนะ เหมือนกับพระอราหันต์นะหรือ ส, อสมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าเป็นต้นเ <c oughs> นี่ยท่านสามารถที่จะระ ง, งับหรือว่าหยุดดับความทุกข์ทางใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วนะตรงนี้ก็เกิดจากการที่ที่จิตใจสามารถเข้าถึงสภาวะแห่งความจริงหรือสัจธรรมในตรงนี้ว่าทุกสิ่งมันเป็นไปเพียงเพื่อความ ทำให้ใจเข้าถึงสภาวะที่เป็น <c oughs> อนัตตาที่มองเห็นถึงกะไตรักษณ์อันิจจังทุกขังนัตตานั่นเองนะเมื่อเข้าถึงเช่นนั้นแล้วมันก็จะดับได้อย่างสิ้นเชิงโดยอาศัยการปฏริบัติธรรมนี่แหละเป็นหนทางเขาเรียกเป็นมรคมีองค์แนะก็จะเข้าสู่การดับทุกขางใจได้อย่างแท้จริงนะเพราะการที่เรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็คือเรามาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ในทางใจนั่นเอง ถ้าเราจับประเด็นได้เงี้เราก็จะง่ายนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันก็มีสองอย่างคือความทุกข์และการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นนะมันไม่มีอะไรมากไปวันนี้เลยนะในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจับตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นคราวนี้เมื่อเราเรามองเห็นทุกข์ในตรงนี้แล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมกันนะจุดประเด็นนี้ต้องมองเห็นทุกข์นะอ่าถ้าแม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนี่อ่าถ้าถูกบังคับมาะหรือว่ามาด้วยกรณีอื่นๆ นะอันนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่ตั้งใจบบัตรเหมือนกันนะถึงแม้จะมาปฏิบัติก็ไม่ตั้งใจแต่ใครที่เห็นทุกข์แล้วก็จะตั้งใจนะเพราะว่าอะไรเพราะความทุกข์นั้นมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็หาไม่นะนะตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสนะมันก็ยังต้องอไปอยู่ในวัดสงสารนะอยู่ในสังสารวัฏที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับภบนับชาติไม่ท้วนนะไปเกิดไปอะไรก็ไม่รู้นะมากมาย เพราะว่าถ้าจิตเรายังมีกิเลสต่างๆอยู่มันก็ต้องไปเกิดแน่นอนมันก็ยังมีก็ <c oughs> เรียกว่ามีเชื้ออยู่นะมีเชื้ออยู่เชื้อเล็กๆนี่แหละมันนํำให้เราไปเกิดใหม่ได้เชื้อนี่ก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนะความทุกข์นั่นก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนะเป็นสาเหตุใหญนะ่ที่ว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะในสภาวะเหล่านั้นนะ ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วเราก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้อยู่ดีนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะในอริสัตยสีนะทนะุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเราจะรู้จักไหมความทุกข์เนี่ยแหละทางกายและทางใจเพราะอย่างที่ว่ามาแล้วคนเราเนี่ยต้องรู้จักความทุกข์ <c oughs> ถ้ารู้จักความทุกข์แล้วก็จะหาทางออกจากความทุกข์ได้ สิ่งสาคัญนี่เราจะต้องกลับม า, าได้พบความจริงตรงนี้นะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ประจำสังขารของเรานะอครั้นี้เมื่อเราพบความทุกข์จริงๆแล้วเราจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรนะก็คือเราจะต้องไปบัตรในมรรคมงแปดนะก็คืออถ้าหากว่าสรุปก็คื อ, อมีศีลสติสมาธิและปัญญาเนี่แหละเป็นหนทางแห่งการออกจากความทุกข์ นะครนนั้นเริ่มต้นนี่เราก็ต้องมีศีลก่อนนะศีลเราก็ต้องมีศีลห้าให้บริบูรณนะ์ในตรงนี้เป็นสิน่งที่เราจําเป็นต้องมนะีถ้าเราไม่มีศีลห้าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไม่มีเสาเข็มเพียงพอที่ว่าเราจะสร้างตึกขึ้นมานะถ้าเสาเข็มไม่เพียงพอสร้างตึกอีกหน่อยก็สามารถที่จะ <c oughs> พังทลายไปได้เนะพราะฉัศีลนี่เป็นสิน่งเราต้องตั้งใจที่จะรักษาให้ดี ต่อมาต้องมีสตินะเมื่อมีสติแล้วก็จะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาตามมาอันนี้คือขั้นตอนเลยนะขั้นนี้สติเนี่ยเรามาในระดับที่สองที่เรามาเจริญกันก็คือเราเรียกว่าเป็นสตินะสติก็มีอยู่ในสติประฐานสี่นะสติประฐานสีก็เริ่มต้นในกายนะกายอาแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมนะขั้นนี้ในทางกายเนี่ยเราก็ให้มา <c oughs> รู้ใน ากายที่ในเป็นอิบทใหญ่จริงๆแล้วในสติปัฏฐานเสเริ่มต้นในอนาปานาสติก่อนนะแต่ว่าไม่มีเวลาจะพูดเยอะก็เลยเริ่มต้นที่เรื่องอเรื่องที่เรารู้ในอิบทใหญ่ก่อนนะบทใหญ่ก็คือรู้การยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเป็นหลักยืนนะรู้ไหมเดินรู้ไหมนั่งรู้ไหมนอนรู้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องรู้นะมีผู้สมัยหนึ่งนะในสมัยนั้นก็มีพราม์ถามพระเจ้าว่า ท่านมีอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่เครื่องดำเนินพระเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนะพามก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพเจ้าบอกไม่เหมือนกันะเรายืนก็รู้เรายืนเราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเรานอนก็รู้เรานอนเนาะตรงนี้เป็นสิ่งเรากลับมาถามตัวเองว่าเรารู้เช่นนั้นไหมรู้การยืนเดินนั่งนอนไหมต่อมานก็เป็นเรื่องของอีบทต่างต่ะ ก็คือให้รู้ในการคู่แขนเหยียดแขนเดินหน้าถอยหลังการทรงพาสังติต่างๆการก้มการเงยการเหลี้ยวซ้ายแหลขวาการถ่าจละประสวะก็คือในบทต่างๆที่เป็นในบทย่อยนั่นเองนะให้รู้ในการกระทําต่างๆในทางร่างกายของเรานะ มันย่อยถึงนากระพิบพตาเนีเรารู้ได้ไหมนะหรือหยาบ ต, าต่างๆการเคี้ยวข้าวต่างๆเรารู้ได้ไหมการวุฒิลาปัสวะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยเรารู้ได้ไหมนะตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าให้กลับมารู้ก็เพราะว่าให้เราอยู่กับกายและใจของเรานั่นเองนะในขั้นแรกท่านก็ให้เราอยู่กับกายให้ได้ก่อ น, นเรารู้ในกายต่างๆได้ไหมเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่าเนี้่เป็นสิ่งที่เราอ่าเคย ทำมาแล้วตลอดชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนถึงเราโตคือพูดง่ายๆว่ไม่มีใครที่จะไม่ยืนเดินนั่งนอนหรือไม่มีใครที่จะคู่แขนเหยียดแขนก้มมือต่างๆทุกคนทำมาแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานันเรารู้ไหมเพราะเหตุที่เราไม่รู้มันจึงหลงไปหลงไปได้ง่ายๆเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้นั่นเองนะเขาเรียกว่าจิตคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือรู้และหลงนะ คร น, นี้เนี่ยเมื่อเราไม่รู้มันก็คือมันหลงไปก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงไปบันนี้เราก็อ่าคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยอ่าเหลวซ้ายลายขวาหรือเดินยืนนั่งนอนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้นะครันนั้นก็คือความหลงนั่นเองนะอนะ่หรือผู้อย่างก็คือเราหลงมาตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุก์อยู่ดีนะความหลงนะ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออมรรคเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตรงนี้นะอ่าสติปัญฐาสี่เริ่มรี้ฐานกายเนี่แหละกลับมารู้ที่กายของเราใหม่นะคือแทนที่เราจะหลง ก, ก็เปลี่ยนเป็นรู้แทนนะคู่แขนเหยียดแขนน่ะเรารู้ไหมน่ะดื่มกินพูดคิดเรารู้ไหมน่ะกลับมารู้ในปัจจุบันธรรมนี้น่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะพะเรากลับมารู้ในตรงนี้แล้วก็ก็เรียกว่าอยู่กับความเป็นปัจจุบันธรรมนะปัจจุบันธรรมก็คืออยู่กับปัจจุบันนี่แหละ มันไม่ได้ไปอยู่กับอดีตหรือนาคตเพราะว่าการที่เราอยู่กับอดีตหรือนาคตมันก็คือ ICO> ความหลงนั่นเองนะความหลงนั่นเกิดจากอดีตและนาคตนะเช่นจริงๆเราก็รู้นะว่าขณะนี้เราอาจจะกําลังแปรงฟันอกําลังอาบน้ํากําลังเดินเราก็รู้ในขณะนั้นแต่ว่ามันหลงไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขณะที่เราอ่าเดินก็ดีเราก็จะคิดไปด้วยนะถึงแม้ว่ารู้ว่าเดินแต่เราก็คิดไปด้วย คิดก็คิดไปในอดีตและอนาคตเราแปลงฟันมันก็คิดไปด้วยเราจะซักผ้ามันก็คิดไปด้วยมันก็รู้นะไม่มันไม่รู้แต่ว่ามันคิดไปนั่นเขาเรียกว่ามันหลงแล้วน ะ, ะแต่ว่าการที่เรากลับมารู้ว่าเออขณะนี้เราหลงไปแล้วนะเราหลงไปคิดคิดไปนอนีตอดีตหรือนาคตนั่นก็คือความรู้อย่างหนึ่งว่าเออเรารู้ว่าเขาหลงไปแล้วเนี่ย โทษแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแปลงฟันด้วยความมีสติครั้งหนึ่งกลับมาอาซักผ้าด้วยความมีสติอีกครั้งหนึ่งก็คือรู้ในปัจจุบันทำนั่นเองนะรู้ว่ามันหลงไปเนี่ยก็คือเรากลับมาสู่ความเป็นปกติได้ไหมที่ว่ามันจะไม่หลงไปนะคราวนี้การที่เราเริ่มที่ฐานกายมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นง่ายนะนะเพราะว่าจริงๆว่ามีอยู่เวทนาจิตธรรม <N _ an> นะครั้นี้ถ้าเราไปเริ่มด้วยวิธีการอื่นๆเช่นจิตมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่จิตนี่เป็นสิ่งที่ว่ามันละเอียดนะและ้วเรามีสติเพียงพอที่ไปรู้ในสิ่งละเอียดเหล <N> ่านั้นไหมนะจะไปคอยดูความคิดอ่าหรือคอยดูลมต่างๆอ่าก็เป็นสิ่งที่ว่าเราทําได้แต่ว่าอ่าคนที่ไม่ชํานาญก็จะไปเพ่งไปจ้องเออคอยดูความคิดไปเพ่งปรับความคิดก็หยุดไปเลยนะไปคอยเพ่งอารมณ์สั่งอารมณ์มันก็เลยหยุดไปเลยอันนั้นที่ว่าเราอ่าไปแทรกแซงสภาวะธรรมแล้ว ไปตั้งใจนะเป็นการที่เรียกว่าเราตั้งใจมันคือการไปเพ่งนั่นเองสภาวะทำก็จะไม่เกิดตามความเป็นจริงนะ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อเรามารู้ฐานกายแบบสบายๆรู้ไปเรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะไปเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆได้เองนะเพราะว่าการที่เราอยู่ฐานกายในเขาเรียกวา่ามีเป็นเครื่องอยู่ของใจนะเครื่องอยู่ใจเมื่ออยู่แบบสบายๆแล้วนะเราก็จะไม่ไปคอยเพ่งความคิดแต่เมื่อมีความคิดเกิดมาปั๊บเราจะรู้ทัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะส่วนความคิดมันจะไปเรื่องของอดีตและอนาคตเราก็จะรู้ทันทันทีนะเหมือนเห <c oughs> มือนกับเราจะนั่งเก้าอี้เราเนี่ยแหละอนะ่าถ้าเรานั่งอยู่แล้วคนจะมานั่งเก้าอี้เราไม่ได้นะแต่พออนะเข้ามานั่งปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขามานั่งซอ้อนเราแล้วนะอนะเราก็สามารถที่จะออกจากตรงนั้นนะได้ง่ายๆขึ้นนะเพราะนั่นการที่เรามีเก้าอี้นั่งก็คือเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะมันเป็นสิ่งที่ว่า พอเราอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ยตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นตัวหลงคือหลงก็ไปใน่นิตอนาคตเราจะรู้ทันเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราหลงเนี่ยเราก็คือไม่รู้นะแต่พอเรารู้ในความหลงก็จะลดลงน้อยลงนะจากการที่เขาลดลงไปน้อยลงไปนั่นแหละมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตเตื่นรู้ขึ้นมานะการที่เรารู้บ่อยๆก็คือทําให้จิตเนี่ยตื่นรู้นะ ตื่นรู้ที่ว่ามันจะอยู่กับปัจจุบันได้นะโดยอาศัยฐานกายนะเป็นเครื่องรู้นะนะการที่ขยับแขนขยับขาถ้าจิตรู้มันก็เป็นเครื่องตื่นรู้ขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งนะครั้นี้เมื่อเขาลุยบ่อยนี่คล้ายๆเราไปสตาร์ทเครื่องนะมาสตาร์ทเครื่องบ่อยๆนะอพอสตาร์ทเครื่องถึงระดับหนึ่งไม่กก็จะเครื่องก็จะติดขึ้นมานะเหมือนก็เรือสมัยก่อนนะเลยโยนสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าไปต้องไปเผาหัวนะ ก็จะมีเตาฟู้ไปเผาหัวอเรือเผาเผาหัวเรือเราร้อนๆเนี่ ย, เ, เ, เ, เ, เ, ยเครื่องก็จะติดขึ้นมานะเพราะนั้นการที่เราจะตื่นรู้เนี่ยก็คือเราต้องมีการเผาหัวก่อนเผนะาหัวก็คือการที่เรารู้ทางกายไปบ่อยๆนะี่แหละจิตก็ตื่นรู้ในทางกายบ่อยๆะเพราะว่าตื่นรู้บ่อยๆปั๊บเนี่ยจิตก็จะตื่นขึ้นมาได้เลยนะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเขาสามารถที่จะรู้เท่าทันสภาว่าทุกอย่างได้ต่อไปโดยตัวของเขาเอง จากการที่เขาให้รู้ทางกายเป็นนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะไปเห็นจิตในทีหลังได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งใจคอยดูเขาแต่ใส่ทางกายนี่แหละเป็นเครื่องให้เขาตื่นรู้นะเพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัตินีนะ่มันจะต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัตนะิต้องมีความตั้งใจนะไม่ทําโดยอัตโนมัตินะหรือว่าทําโดยความเรียกว่านะหลงหลงลืมลืมหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราเคยชินอยู่แล้วนะ บางทีการเจริญสติมันก็เป็นความเคยชินก็มีนะเราเราเคยยังไงมันก็เคยทําอย่างนั้นมันเป็นความเคยชินเคยยกมือต่างๆเป็นความเคยชินะหรือกินข้าวก็เป็นความเคยชินะหรือกวาดบ้านก็เป็นความเคยชินอ่แปรงฟันก็เป็นความเคยชินซึ่งพวกนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะทุกคนทำได้อยู่แล้วให้กวาดบ้านแปรงฟันไม่ได้ไปคิดอะไรเลยเป็นความเคยชินะแต่ก็เปลี่ยนความเคยชินนั on, like so the the ่นแหะกลับมาให้เขารู้นะ เป็นความตั้งใจกับไม่เขารู้มันจะเปลี่ยนจากความเคยชินมาเป็นความตั้งใจแทนพอเป็นความตั้งใจปุ๊บเนี่ยจิตก็จะค่อยๆตื่นรู้ขึ้นมาได้เองนะมันก็จะกลับมาที่ว่าตื่นรู้แล้วจิตมันก็จะสะสมะตัวที่ตื่นรู้เนี่ยจนกลายเป็นว่าสภาวะที่กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ได้นะก็มีกายเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกใจก็รับรู้อยู่ภายในนะพอใจรับรู้ไปเรื่อยๆใจก็จะมีกําลังในการที่จะรับรู้ได้มากขึ้น ก็เรียกว่าสติเริ่มที่จะโตขึ้นมาแล้วนะเพระใจเริ่มจะรับรู้ได้มากๆขึ้นแล้วในขั้นแรกก็ให้รับรู้ในทางกายก่อนนะเคลื่อนไหวต่างๆให้เขารับรู้เจตนาในการรับรู้ไปเรื่อยๆมือกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไปปลูกให้สามารถรับรู้ในทางใจได้ง่ายขึ้นโดยเราไม่ต้องไปคอยเพ่งคอยจ้องอีกหน่อยพอมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันนะหรืออารมณ์ต่างๆความรักความโลภความกดความหลงก็รู้ทัน น, นี่ก็เกิดอจากการที่เราจิตตื่นรู้นั่นเองก็ปไปรู้ในทางกายและทางใจเนี <c oughs> ่ยพอเราเจริญสติไปเนี้ยมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็หลายระดับชั้นนะอ่ก็เรียกว่ามีหลายระดับชั้นไม่ว่าจะต้องจิตสงบนิ่งจนกระทั่งอเป็นหนึ่งอันนั้นก็เป็นระดับของสูงสุดนะแต่สมาธิก็ระดับคณิกะก็เป็นระดับคณิกะสมาธิได้มันก็เป็นระดับหนึ่งที่ว่าจะเกิดสมาธิขึ้นมา ไปจนอุปจาระไปถึงอัปนานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะพอไปเรื่อยๆนะมันก็จะเกิดปัญญาที่จะเห็นความจริงขึ้นมาว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันก็คือให้เรากลับมาเห็นในสภาวะของความไม่เที่ยงนั่นเองนะว่าเราบางวันเราก็แบบแล้วมันก็รู้สึกว่ามีสติทั้งวันนะดีมากเลยจิตตั้งมั่นดีนะแต่พอมอวันต่อมารู้สึกว่า วันนี้ไม่ค่อยมีสติเลยนะมันรู้สึกว่ามันหลงบ่อยๆนะเดี๋ยวก็เผลอคิดไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีสติต่างๆนี่ก็คือให้กลับมาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะแม้ไปบัตรธรรมนี่เราก็สามารถที่จะกลับมาเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นความจริงนะเพราะว่าการที่เราเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละนี่คือสัจธรรมในความจริงนั่นเองนะอถ้าเราไปบัตรแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงนี่คือเราเห็นความจริงแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับไม่เห็นความ จริงในตรงนี้เราก็จะไปว่าเออวันนี้เราไปวันไม่ดีเลยรู้สึกมันมีความทุกข์ทำไมไม่ดีเหมือนเมื่อวานนะทำไมวันนี้มันแย่นะอันนี้อันนี้คือเราไม่เห็นความจริงนะความจริงเขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงหรอกนะแต่เราก็อยากให้มันเที่ยงมันก็เมื่อวานแล้วมันทุกไหมนยะก็คือคนเรามันทุกข์เพราะการบิดบัติเพราะเช่นนี้เองเพราะว่าไม่กลับมาเห็นความจริง เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้นะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอกเออเมื่อวานดีวันนี้ต้องดีเหมือนเมื่อวานนะอ่าเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนะเมื่อบังคับเขาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวเมย์ตนของเราถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้เขาก็เป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันต้องกลับมาเห็นในความจริงในตรงนี้นะนะถ้ามันเห็นความจริงในตรงนี้บ่อยๆจิตสามารถที่จะเห็นในตรงนี้แล้วสรุปได้บ่อยๆอวันนี้เนี่ย เมื่อวานดีเมื่อวันปฏิบัติแล้วดีวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรเขาสแสดงความจริงให้เราเห็นแล้วในสัจธรรมหรือป่าใจรักหรืออ่าเขาเรียกว่าของที่มันอ่าทำให้เราเห็นจริงๆนั่นแหละคือความไม่เที่ยงเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญกว่านะอ่าเห็นความไม่เที่ยงบ่อยเนี่ยพอเห็นบ่อยๆแล้วจิตมันจะเริ่มเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบนั้นเองนะเพราะมันทนในสภาวะเดิมไม่ได้หรอกมันจะเป็นความทุกข์อ่าเพราะเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยง เมื่อบังคับก็ไม่ได้มันจึงไม่ให้ตัวไมโทนของเราเนี่ยมันจะเดิมเนินในตามรอยของอ่าวิปัสนาตรงนี้นะอวิปัสนาคือการกลับมาเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นี่แหละเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเนี่ยตรงนี้มันเมื่อมันเข้ามาบ่อยๆแล้วเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเราเดินมรรคนะเดินมรรคก็คือเห็นพระไตรลักษณ์นี่แหละเป็นการเดินมรรคหรือว่าวิปัสนานั่นเองนะวิปัสนาก็คือการเดินมรรคเมื่อเราเดินมรรคได้ถูกต้องก็จะเกิดผลขึ้นมาก็คือเกิดมรรคผล ตรงนี้นะมันเป็นหนทางที่ว่าเราจะพ้นทุกได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปบัติแล้วไม่ดีไม่เป็นไรกลับมาเห็นในตรงนี้บ่อยๆนะบางทีโอ้ความคิดมันไหลไปแล้วความคิดไหลไปแล้วนั่นแหละให้เรากลับมาเห็นว่าเออจริงเราก็บังคับก็ไม่ได้นะนะความคิดเขก็ทํางานของเขาเองนะเราก็บังคับก็ไม่ได้หรอกก็คือสภาวะของกายและใจนี่ไม่ใช่ตัวเมตตนของเราจริงๆนะร่างกายเนี่ยเราก็เห็นเออเราบังคับก็ได้ไหม เขนะาหายใจเขาก็หายใจเองเขาเองเราก็บังคับให้เขาหยุดหายใจก็ไม่ได้นะถ้าเราบังคับมันก็หยุดหายใจนั่นแหละเราก็จะเสียชีวิตเองนะหัวใจเขาก็เต้นเขาเองนะจะบังคับให้หยุดเต้นก็ไม่ได้นะเลือดนะเดินเขาเองนะอาหารรับประทานไปไม่ต้องสั่งเขาก็ย่อยในกะระเพาะก็ทํางานเองเระบบขับถ่ายทํางานเองทั้งหมดนะ พูดง่ายๆว่าระบบร่างกายเนี่มันทํางานเองทั้งหมดเลยนะแม้แต่มันแก่มันก็แก่เข้าเองด้วยนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกหูตาฟ้าฟาฟงหูตึงหนังย่อนเขาทํางานเองหมดเลยนะบางทีเร า, าเราบังคับเขาได้แต่จริงๆเราบังคับก็ไม่ได้เลยไม้แต่นิดเดียวนะยิ่งความแก่ยิ่งเห็นชัดเลยวเราบังคับก็ไม่ได้นะเจ็บไข้ได้ปวดบังคับไม่ได้นี่เราคือความจริงของร่างกายแต่เราไม่มาเห็นในตรงนี้กันนะในทางจิตใจก็เหมือนกัน นะอันนี้ยิ่งบังคับก็ไม่ได้อย่าเลยความคิดให้เขาหยุดคิดสัก5้านาทีได้ไหมไม่ได้นะอ่ายิ่งให้หยุดคิดมายิ่งไม่คิดนะยิ่งให้หยุดหยุดคิดเขายิ่งคิดหนักขึ้นนะให้นอนหลับนะภายในครึ่งชั่วโมงนี้ได้ไหมก็ไม่หลับนะนะมันบังคับอะไรไม่ได้เลยไม่ได่นิดเดียวนะให้เขาโอ้เวลาเรารักใครอยากให้มีความรักนานๆก็ไม่ได้นะเราก็ไม่ใช่หรือว่ามีความดีใจ มันก็อยู่เราไม่ได้ไม่นานะอยากให้ดีความดีใจความพอใจอยู่นานๆไม่ได้นะความโกรธอยากให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เราก็ลูวความโกรธไม่ดีมันก็เกิดขึ้นมาได้นะความรักความชังเกิดขึ้นมาทั้งนั้นนะเรารบังคับให้เขาไม่เกิดไม่ได้เลยนะนี่แหละคือกลับมาเห็นความจริงว่ากายและใจนั้นะเป็นสิ่งเรารบังคับเขไม่ได้จริงๆนะถ้าเรากลับมาเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดปัญญาแล้วกลับ <c oughs> มาเห็นความจริงตัวนี้คือปัญญา ปัญญาที่ว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ ต, ตนของเรานะเพราะฉนั้นเมื่อบังคับก็ไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงอนะความทุกข์เราเห็นนะตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆแล้วจิตก็จะเขาเรียกว่าจิตมันจะมันดําเนินในวิปัสสนาคือมันเห็นความจริงแล้วมันจะเกิดการปล่อยการวางนะมันจะเกิดความเบื่อความนาย <c oughs> เกิดการคลายกําหนัดในตรงนี้นะในทางร่างกายและจิตใจ เขาก็คลายกำหนัดเขาก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางความยึดถือในกายและใจว่าเป็นของเรานะพอเขาคลายในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงระดับที่เรียกว่าสากายฤิธิธ์ก็คือความที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเนี่ยมันจะลดน้อยลงอันนี้คือเริ่มต้นของความเป็นพระยเจ้าแล้วนะเพราะว่าความเป็นพริยเจ้าเขาเรียกว่าเราต้องละสังโยชนทั้ง10บได้ถ้าใครละได้หมดก็คือเป็นพระหันนะแต่ถ้าละได้สามก็คือวิอสากายฤิธิธ <c oughs> คือความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจของเรา <c oughs> แล้วก็วิจิกิจชฉาคือความลังเลสงสัยศีลประดับป ร, บรามาตคือการที่เราไม่รูปคำในศีลการยึดอย่างอื่นเป็นเป็นพระไตร แ, แทนแทนพระพุทธธรรมะสงเนี่ยถ้าเราละได้สามอย่าง ก, ก็เป็นพระโสดาบันเพราะนั้นะจุดแรกคือระสรรักกาทิฏฐิเนี่ยได้ไหมนะเพราะนั้นการปฏิบัติทั้งหมดก็คือกลับมา อให้เห็นความจริงว่ากายและใจไม่ใช่ตัวไม่ตนนั่นเองนะคือเขามีอยู่นั่นแหละกายและใจมีอยู่แต่เขาไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ษัตย์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยพอมันมาเข้าใจตรงนี้แล้วอย่างอื่นมันก็จะค่อยๆคลายก็จะละไปเองนะคือถ้ามีตัวของเราแล้วมันก็จะมีของของเราตามมานะมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมีสิ่งต่างๆของเรานะแต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ว่ากาย ใจไม่ยังเราแล้วสิ่งต่างๆก็จึงไม่ยังเราด้วยเนะี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องเข้าใจนะอย่างที่ในอนัตตลักษณะสูตรนี่พอพระเจ้าแสดงปั๊บเนี่ยพระปัญญวิีรีนบรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะท่านก็ถามว่านะดูความพิสูจนทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรืออย่าตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเฉะนั้นพระเจ้าข้าแล้วพระเจ้าก็ทรงแยกแยะสิ่งทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ตัวไม่ตนอย่างไรพอจบพระธรรมเทศนาแล้วปัจจักีก็บป็รูปเป็นพระรหัตทั้งหมดเลยนนี้ก็คือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ให้เห็นว่าเออกายและใจเองมันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆเนาะคือถ้าผู้ใดที่เข้าถึงปัญญาตรงนี้แล้วนะมันจะไม่กลับมายึดว่ากายและใจเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งนะมันต้องเข้าใจจริงๆในตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อจิตเข้าใจตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจตรงนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงนิถาวรแล้วอันนี้คือการบรรลุธรรมนะน่ะ เพราะการปฏิบัติทั้งหมดก็คือกลับมาให้เห็นปไตยรักนั่นเองนะในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความเป็นนัตตก็คือว่าความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้นี่แหละจึงเป็นประเด็นในสําคัญในพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมนะเพิ่มเมื่อใดเข้าถึงตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยความทุกข์ก็จะน้อยลงจนในสุดก็จะหมดไปอย่างแท้จริงนะราะผู้ที่เข้าใจในตรงนี้ก็คือยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางกายและใจอย่างแท้จริงนะมันจะทําให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อเกิดการยอมรับเกิดขึ้นนะ แล้วมันจะเห็นสภาพว่ที่เราไม่อาจที่จะบังคับสิ่ ง, งต่างๆได้ไม่อาจที่จะบัญชาสิ่ ง, งต่างได้เพราะก็ไม่ตัวไม่ตนของเรามันก็เกิดการยอมรับในสภาวัทุกอย่างที่เกิดขึ้นมายอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วนะจิตมันก็จะเกิดการปล่อยกันวางนะเมื่อเกิดการปล่อยกันวางแล้วนั่นแหละก็คือการพ้นทุกเนาะนี่แหละเป็นหนทางแห่งมรรคนะซึ่งสรุปด้วยศีลสติสมาธิปัญญาอันเป็นการดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรักษณ์ไตรให้ทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน